วันเกิดกับวันตายเนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปนี่มันต่างกันมากนะก็ตัวเันข้ามกันเลยวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดเนี่ยนะมันเป็นวันแห่งความสุขนะความยินดีปรีดาเฉลิมฉลองส่วนวันตายนี่มันวันแห่งความเศร้าโศกความสูญเสียแต่ว่า สำหรับหลายคนนะวันเกิดกับวันตายนี่มันกลายเป็นวันเดียวกันนะหรือผู้อหญางนีงว่วก็คนเรานี่จำนวนไม่น้อยเลยนะตายเนี่ยในวันคล้ายวันเกิดหรือวันเกิดเนี่ยมากทีเดียวมีฝรั่งนะเข้าไปศึกษาค้นคว้านะอย่างจริงจังมากเลยอย่างเช่นในสวิสเนี่ย ประเทศสวิสเนี่ยเขาศึกษาคนจํานวนเนี่ยสองล้านกว่าคนเลยนะในช่วงเวลาสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอว่าคนสวิสเนี่ยตายเนี่ยในวันเกิดเนี่ยหรือวันคล้ายวันเกิดเนี่ยสูงกว่าวันอื่นๆถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะทั้งที่ปีหนึ่งเนี่ยก็มีวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดแค่วันเดียวนะในสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ย แต่ว่าคนในประเทศสวิสต์นี่ตายในวันคล้ายวันเกิดนี่หรือวันเกิดนี่สูงมากนะในอเมริกาก็เหมือนกันนะเขาศึกษาครอบครมวหนึ่งคนถึง25ล้านคนนะแล้วก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันนะว่าคนที่นั่นเนี่ย ตายนะในวันเกิดเนี่ยสูงกว่าวันอื่นโนะดยเพพาะคนที่อยู่ในวัยเนี่ยยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยตายในวันเกิดเนี่ยสูงกว่าวันอื่นเนี่ยถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนียออันนี้มันน่าพิจารณานะทําไมถึง ตายในวันเกิดนี่มากกว่าวันอื่นๆทั้งๆที่มันก็เป็นแค่วันเดียวใน365วันไอ้364วันที่เหลือนี่ผู้คนตายน้อยกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะเพราะว่าเนี่ยที่ตายเนี่ยน ะ, ะส่วนใหญ่นี่ก็เพราะว่าอุบัติเหตุนะ กล้มลื่นถลหลตกจากที่สูงหรือไม่ก็เป็นโรคเฉียบพันเช่นเส้นเลือดในสมองแตกนะโรคหัวใจวายเราก็สาหาส า, หาสเหตุต่อไปนะว่าทำไมเนี่ยถึงตายเพราะเหตุ น, นี้กันมากเนี่ยเราก็พบว่าเนี่ย พนเราเมื่อถึงวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดเนี่ยเราก็ยังมีการเฉลิมฉลองมีการกินเหล้ากันอันนี้เป็นอธรรมเนียมนะหรือว่ากลายเป็นขาดนิยมไปแล้วนะถึงวันเกิดต้องเลี้ยงฉลองกันกินเหล้าพอกินเหล้าก็เมาไมา่พอเมาไมายมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะลื่นหกลม้มนะ หรือว่าตกจากตึกนะหรือบางทีก็เกิดการทะเลาะเบาแวงหนึ่งเพราะเมาไมายก็เกิดการทํำร้ายถึงตายก็มียังไม่นับประเภทว่าอุบัติเหตุจากรถยนต์นะข้ามถนนโดยความเมามายหรือขับรถด้วยความเมามาไม้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงตายได้ หรือไม่ฉะนั้นก็เพราะความดีใจนะดีใจมีญาติพี่น้องมีเพื่อนนี่มาเลี้ยงฉลองเอาของขวัญมาให้ไอ้ดีใจมากๆนี่มันก็ทำให้ถึงตายได้นะเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายตายเรียกว่าลิงโลดดีใจมากอันนี้ไม่นับนะคนที่มีโรคจำตัวอยู่แล้วเนี่ย พอเลี้ยงฉลองพอกินกันมากๆเข้าเนี่ยก็โรค ก, กำเริบก็ตายได้เน้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะทำไมเนี่ยคนเราเนี่ยนะซึ่งที่จริงอาจจะไม่ใช่เฉพาะในเซว่นเซเวอเมริกานะหรือว่าทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่มีขั้นนิยมฉลองวันเกิดนียโดยการกินด้วยการดื่มเนี่ยคนจึงตายในวันนี้มากกว่าวันอื่นๆของปีนะ อันนี้ก็เป็นอุตสาห์สอนใจนะว่าเนี่ยไอความสนุกสนานความรื่นเริงความลิงโลดดีใจนี่มันไม่ใช่เป็นของดีอย่างเดียวนะมันก็แฝงไปด้วยโทษมากถ้าคนเราเฉลิมฉลองกันโดยที่ขาดสติยิ่งมีเล่ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะไอการที่จะทำให้วันเกิดกลายเป็นวันตายนี่นะ มันมีความเป็นไปได้สูงเลยคนไทยแต่ก่อนก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดด้วยการเลี้ยงโ ด, ย, ดยการกินด้วยการดื่มนะบางคนไทยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวันเกิดนะแต่ตอนหลังนี่พอมีข้นนิยมเนะี่ยฉลองวันเกิดนะเราก็กินกันมากขึ้นดื่มกันมากขึ้นฉลองกันก็คิดว่าคงจะ ถ้ามีการศึกษากันจริงๆก็อาจจะพบว่าคนไทยนี่ตายในวันคล้ายวันเกิดนี่ไม่น้อยเลยทีเดียววันที่ควรจะเป็นวันดีนะแต่มันกลายเป็นวันแย่ไปได้เนี่ยเพราะว่าความประมาทเพราะว่าเลี้ยงฉลองโดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจหรือว่าขาดสติที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะวันเกิดอย่างเดียวนะวัน ที่คนนึกถือเป็นวันดีเนี่ยเช่นวันปีใหม่วันสงกรานเนี่ยหรือแม้กร่วันคริสต์มาสเนี่ยนะแล้าคนก็ตายในวันนี้มากนะในเมืองไทยนี่ก็ร้วนอยู่นะพอถึงวันปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสงกรานนี่มันควจะเป็นวันดีเริ่มก็เป็นความเป็นวันที่ดีในความคิดของหลายคนนะแต่พอพอไปเข้าใจหรือรู้สึกว่าเป็นวันดีแล้วก็ เห็นว่าต้องเฉลิมฉลองกันกินเหล้ากันสุดท้ายก็ตายพเพราะเหล้าเนะพราะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันดีนะในเมืองไทยนี่คนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนตนย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงกรานนี้เยอะมากแทนที่จะเป็นวันแห่งความสนุกสนานหรือว่าแห่งความสุขนะมันกลับกลายเป็นวันแห่งความทุกข์ พเพราะอะไรนะเพราะความประมาทนะเพราะว่าการไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยนะเราฉลองก็ฉลองได้นะแต่ว่าเราเรื่องที่จะกินเรื่องที่จะดื่มนะเล่าสารสิ่งเสพติดเนี่ยไอการที่วันนั้นจะเป็นวันดีนะ ที่ส่งผลในชีวิตยืนยาวนี่มันก็เป็นไปได้เน้นแทนที่มาถึงวันเกิดหรือวันปีใหม่เนี่ยวันสงกรานต์แทนที่จะลิงโลดดีใจเฉลิมฉลองนะด้วยเหล้าหรือด้วยการเสพนะมาทำความดีกันดีกว่านะทำความดีคนไทยแต่ก่อนนี่วันเงกิดก็นิยมทาบุญทากุศลเลี้ยงพระถวายสังฆทาน นะหรือว่าบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร่เด็กกำพรา้าอย่างนี้ดีกว่านะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดีกว่ากินดื่มกันนะสุดท้ายก็ล้มหายตายจากหรือว่าเมียนเป็นไปแล้วเมื่อถึงวันเกิดนี่จะให้ดีกว่านั้นนะก็พิจารณา มรณะสติไปด้วยนะเออเรานี่โชคดีนะมีชีวิตมาครบเบียนบรรจบครบปีอดตายไป1ปีนะแต่ว่าก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกพิกจรารณาอย่างนี้ไว้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจสร้างบุญสร้างบุญด้วยการสร้างบุญสร้างบุญสนอ่าอย่างนี้ดีกว่านะดีกว่าเฉลิมฉลองแล้วก็เมาไมา้ แล้วก็ตายไปโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะว่าหัวใจวายหรือเพราะว่าโรคกําเริบหรือเพราะว่าเส้นเลืในสมองแตกนะอันนี้มันกลายเป็นแทนที่เป็นวันมงคลก็กลายเป็นวันอัปวะมงคลหรือเป็นวันที่ไม่เป็นกุศลแทน